คับยาม่กสสองครับเจ็ดห้าสามแปดห้าไปได้แล้วแล้วก็ขีวันนี้เดี๋ยวต่อเสาเลยงเนี่ยไปเสาแล้วครับเรียบร้อยแล้วไปยังไปแล้วครับไปไปไงไม่ฟังเลยเเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเกลับมาฟังอีกทีเจดห้าแป นี่บังคับยามครับแต่บองคับให้เป็นไงเป็นเดเป็นสีที่เป็นไงเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวก็ให้เขานึกขึ้นว่าจะเอายังไงเรื่อ่ายอ๋อหนึ่งสองสามห้าหดแปดคแล้วก็ขีดช่วยเลยก็ได้ขีดตั้งเสาขีนี้รู้แต่ยังไม่บอกอะไรอ่าขีดเสาว่า เรนี้เอาเอาเรื่องอะไรเอาขีดไว้แค่สามช่องสามเรื่องอ่ะสามเรื่องเราคงจะเข้าใจละขีดแบบนี้เสาตั้งเสาขีดแค่สามช่องแบบนี้มาตรงนี้หน่อยเออจะได้รู้เออขีดเออเรามาตรงนี้ขีดเอ่อแสามเรื่องพออืมอ่ะจะเอาเรื่องอะไรวันนี้เจ็ดค่ําก่อนนะเรารู้ภูมิแล้วอืออ่าเจ็ดค่าเรารู้ละเออจบทองเลยอ่าเรื่องทองเรื่องทองอ่าเรื่องทองเรื่องที่จะไปเอาที่ไงอ่า เรื่องทองคำอ่าเรื่องทองคำ <c oughs> แล้วตอนนี้เรารู้เดี๋ยวต้องไปเอาเวลาจริงด้วยเดี๋ยววันนี้เรื่องทองด้วยอะ่ะ <c oughs> นี่ไงเวลาแกวา่าไย หมายองดาวมันจะเป็นตัวบอกเรื่องไงเราจะเอาเรื่องอะไรถ้าไม่รู้ความหมายเราก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องเอาเรื่องทองฮะเอออเาเรื่องทองบังคับยามตอนนี้เวลาเวลาอะไรเนี่ยสามโมงเช้าสามโมงสามนาทีอันนี้เขียนตรงนี้ก็แต่สามศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์สามศูนเก้าศูนย์สามอือหือซึ่งเรื่องยามวันนี้วันนี้เจ็ดค่ำแล้ว เจ็ค่ำแล้วยามใหญ่ยามใหญ่วันพุธรหัสยามใหญ่วันพุรหัสหัวยามตกอะไรวันศุกร์ไปวันนี้อ่าวันศุกร์หัวยามตกอะไรศาศูนย์เก้าดูยามสามศูนย์สามนาทีใช่ป่ะศูนย์สามนาทีเลยและนี่ศูนหนึ่งอ่าศูนย์สามใช่ป่ะใช่ศูนสามวันศุกร์ตกสองนับจากสามเป็นสองช่องหนึ่งสองตกแปดตกแปด ตกแปดได้ใจะเอาเรื่องทองคําเรื่องทองคำใช่ป่ะทองคำเป็นหนึ่งอ่าตอนเนี้ยตอนนี้เวลาเราเราดูก่อนนะตอนนี้ดูยังไม่ได้บังคับนะศูนย์เก้าศูนย์สามก็ดูทีแรกศูนย์เก้าศูนย์สามยังไม่ถึงศูนย์เก้าสิบเอ็ดใช่ไหมนี่สองเราก็นับสองหัวยามคือสองสองอยู่ตกอยู่ที่แปดนะใช่ไหมยามย่อยก็คือสองเหมือนกันเดิมเหมือนเดิมใช่ป่ะ เหมือนเดิมเราก็นับจากแปดหนึ่งสองาเลยหนึ่งขึ้นเลยทองคำวันนี้สำเร็จอ้าวแลหนึ่งขึ้นท่านนาีเขียนได้เลยหนึ่งหนึ่งดูสิตั้งหกเออหนึ่งหกหนึ่งหกสี่สองเนี่ยเขียนไปเลยเนี่ยตั้งเสาหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามแปดนะเจ็ดห้าสามแปดแปดอยู่นี่แปดอลรหัน ปกาศาอาคมไม่ต้องใช้เลยจะเกิดพูดกันง่ายๆเนี่ยหนึ่งสำเร็จเลยทันทีเนี่ยสำเร็จวันนี้ไปเอาคุยเรื่องนี้นะณเวลานี้ที่เราจับไปเอาได้เา้เวลานี้บังคับยามแล้วท่านจะเอาบังคับยามอยากจะให้เนี่ยอยู่ที่มนุษย์ยนี่คือการบังคับยามเลยใช่ป่ ะ, อ, อ, ะอยู่ที่มนุษย์สยอ่าวันนี้เรารู้แล้วว่าภูมิ คือสามเป็นบริวารใช่ไหมสามเป็นบริวารเราจะเอายามย่อยให้ตกเป็นเดชเราก็ต้องอบริวารอายุเดชก็ให้อยู่ที่สามเหมือนกันใช่ไหมอยู่ที่สามเหมือนกันก็จะกลายเป็นว่าอ่าเดช ท, ทับเดชแหละไอ้เดช ท, ทับบริวาร น, นะ <Ừ. S 1> เดช ท, ทับบริวารคือว่าเราต้องการที่จะให้หนึ่งเป็นเดชหรือมนุษย์ยังใช่ไหม ถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบนับที่ยามย่อยก็อดูสีต่างเอวางมนุษยังใช่ปะ่ะใช่ป่ะเราจะให้อยู่ที่มนุษยังบังคับยามเนี่ยหนึ่งอยู่ที่มนุษยังแต่นี้เราดูแล้วมันก็คือว่าเดททับเดทแล้วเดททับเดทเราก็อยากจะให้เป็นสีนะอะให้เป็นสีให้หนึ่งเป็นสี <laughs> หนึ่งเป็นสีก็บริวาลอายุเดทสีให้ตกห้าให้ตกห้ายาม ใหญ่ยามใหญ่โตห้าก็จะกลายเป็นเดชสีเดชนะนี่คือการบังคับนะเลขให้ตรงกันใช่เลขหนึ่งก็คือทองคํำไงเลขหนึ่งคือทองคํำเราอยากจะให้เนี่ยเราือให้เป็นสีให้เป็นอะไรก็ให้อยู่ที่ดีคือสีมนตรีนะแล้วก็เดชคืออยู่ในตําแหน่งที่ดีนะไอ้นี่เราก็บังคับให้อยู่ที่เป็นสี จะบังคับยามให้สีเออหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหนึ่งสองสามสี่แต่เราเอ็นนี้คือยามนับภูมินับที่ดีถีเนี่ยเราจะให้ตกที่เลขห้าเนี่ยไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกลายเป็นแปดไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่เราก็ต้องไล่เอกให้เป็นมนตรีหรือเป็นเดททับเดท เพราะมันจะได้เดทหมดเลยแต่เดทอันนี้ตกมนุสีอย่างใช่ไหม <c oughs> แต่อันเนี้ยจะขึ้นเราพยายามท <c oughs> ี่จะให้ขึ้นหนึ่งเอาหนึ่งขึ้นบังคับที่จะให้หนึ่งขึ้นแต่ว่าเราจะเอาเพราะว่าเรานับจากาดีถีแล้วว่าอันเนี้ยมันจะไปตกที่ตรงนี้ให้เป็นสีไม่ได้ให้ทองคํำอันเนี้ยเราคุยเรื่องทองคําเลย <c oughs> ให้ทองคําเนี้ยเป็นสีไม่ได้เพราะว่ามันไปแปดช่อง ใช่ไหเราให้เป็นสีไม่ได้ตอนนี้ก็เอาเป็นเดชเดชทับเดชไปหมดเลยเดชสามชั้นเลยเดชทับเดชสามชั้นเลยก็เอาหนึ่งอ่าใช่ไหมอะหมเดชคือจะให้เป็นมนตรีมันมันบังคับอ่าจะรย์เดชทับเดชมันเกิดมัจะเกินไปมันใช่ช่องเดียวให้เป็นมนตรีเราก็ดูบริวารอายุเดชสีมุระอุสาหะบริวารอายุเดชสีมุระอุสาหะมตรีจะต้องให้ตกหนึ่ง ถ้าหนึ่งก็จะได้เป็นมนตีนะเราก็หาที่ยามใหญ่จะต้องตกหนึ่งสองสามสี่ห้าจะต้องตกห้าหัวยามอันไหนตกห้าเราดูวันศุกร์นะอย่างงี้อ่า <c oughs> ไปยังไงตอนนี้ภูมิก่อนภูมิมก่อนเลขที่ดีไอ้ตำแหน่งที่ดีคือ เดชสีสมนตีเดชสีมนตีหรือเราจะเอาอายุก็ได้คือปัจจุบันแล้วแต่ที่เราจะเอาคือการบังคับเนี่ยคือการบังคับจะให้อยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่แต่ว่าอยากจะให้อยู่ที่ <c oughs> ตำแหน่งที่ดีๆเอาปัจจุบันจะเอาอายุก็ได้หนึ่งสองเยแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมจะตกเจ็ดพอดีตามที่เราต้องการคือให้เป็นเดชตกเจ็ดก็ได้ยามใหญ่ เราจะให้เป็นอายุนะสมมุติว่าเราจะให้หนึ่งไอ้ให้ทองคำเนี่ยในยามใหญ่เนี่ยเป็นอายุเป็นอายุแล้วเราจะต้องเอาสามดาวอังคารเนี่ยให้เป็นบริวารให้ให้ให้หนึ่งเนี่ยเป็นบริวารก็จะได้หนึ่ ง, งสองสามสี่ห้าหกไม่ได้ บังคับอ่้นะทีนี้เราต้องการที่ให้นี่ขึ้นดูสิ่ต่างพยายามให้ได้เจ็ดพยายามให้ได้เจ็ดหนึ่งเออเจ็ดหกนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้สี่นี่ยเราก็บังคับได้เพราะเจ็ดหกแล้วแต่ยามใหญ่อยู่ที่ยามใหญ่อ่ะอยู่ตรงไหนก็ได้ตกดกตรงไหนก็ได้ใช่ไหมตกตรงไหนได้สมมติ ตอนนี้ต่อไปเนี่ย้าโมงแล้วไม่ต้องสมมุติว่าเก้าโมงจริงๆแล้วเก้าโมงเนี่ยมันจะไปตกอะไรตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเก้าโมงเก้ามงไปแล้วเนี่ยหัวยามของเนี่ยตกสี่เนี่ยตกสี่ ต, ตอนนี้ตกสี่ก็นับจากภูมิไปสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ยามใหญ่ตกหกติ๊กเลยก็ได้ตกหกตกหก แล้วเราจะต้องเอาทองคําขึ้นดูติศทางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็เปลี่ยนยามเปลี่ยนยามวันศุกร์ตกตกสอ ง, ก, สองก็นับจากนี้หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าเราจะให้ดูติศทางตกหนึ่งที่ยามย่อยให้ให้ให้ตกทองคำนะตกเป็นดูติศทางนะ ได้สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ได้อีใช่ปะ่ะถ้าเกิดมันตกสองคู่ที่ <ไป S 2> หัวยามนี่เราจะต้องนับต่อตรงนี้ไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ได้ไม่ได้เขาเปลี่ยนยามเปลี่ยนที่ยามใหญ่เลยเปลี่ยนยามใหญ่ยามใหญ่วันศุกร์ตกเจ็ดตกเจ็ดโอเคแล้วนับจากสามที่ภูมิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตกเจ็ดตกเจ็ดอันนี้เราก็บังคับได้แหละ ตกเกดที่ยามใหญ่ตอนนี้ตกเกดที่ยามใหญ่แล้วภูมิอะไรไอ้ยามใหญ่ที่สี่ยามใหญ่ที่สี่ตกเกตเนี่ยใเราจะเอาหนึ่งขึ้นดูติตังหนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาอะไรคือห้าได้เลยเวลาอะไรเพราะตกเกดที่ยามใหญ่ตกเกดแล้ว1นี่ยฮะสิบเอ็ดสิบห้าอ่าเขียนเลยสิบเอ็ดสิบ้า ไปได้เลยเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยสิบเอดสิบ้าขั้งบนอ่าสิบเอ็ดสิบห้าสิบเอ็ดสิบห้ามันก็จะตกเลขหนึ่งพอดีพันห้าใช่ไห ม, มนับจากยามใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นดูติดตังเลยนะขึ้นดูติดตังทันทีนะเราอยากจะให้เป็นมนุษย์สยามั่างไอเอ่เอเป็นมนุษย์ยางตกเจ็ดใช่มตกเจ็ดและวที่ภูมินี้นะแต่เราต้องอยากให้เป็นเดช นะบริวารอายุเดชเนียหรือดูติตางเอวังมนุษยังนะเราตอนนี้มันขึ้นหนึ่งนะที่เวลา11เอ็ดนี้เราจะบังคับให้มันเป็นเดชให้ให้ใ ห, ให้ให้ทองคำเป็นเดชก็บริวารอายุเดชบริวารอายุเดชจะต้องตกสามใช่ไหมจะต้องตกสามเราก็ต้องนับจากยามใหญ่ให้เป็นสามหนึ่งสองสามเลขอะไรเป็นสามดูที่ยามใหญ่เวลาอะไรยามใหญ่ที่ส mm ี hmm. ่ของวันศุกร์ เอ่เลขอะไรเป็นสามเวลาที่เท่าไหร่สิบสิบสิบแล้วได้ไรสิบ <15, S 1> ห้สองสิบห้าสองได้ไรได้สามได้สามเรานับจากยามใหญ่ไปสามช่องหนึ่งสองสามก็โอเค่ะลองลองเลยออบสามขึ้นเมื่อกีอ้อไเนี้ยสามขึ้นอ่าสามอ่าสามแปดหนึ่งอะจะพอดีเป็นนุษย์ยสยามนื้ออ่าเนี่ยเรจะได้ แปดอะไรห้ 5, 5, าห้าเอาหันเนี่ยเนี่ยก็จะได้ตามตามที่เราบังคับให้เพราะว่าเราบังคับให้เป็นเดชหรือบังคับให้เป็นหนึ่งเนี่ยอ่ะอันนี้หนึ่งทองคมขึ้น 1, หนึ่งเยวลาถึงเดชเนี่ย เราเมบมีเวลาว่าง เ, เวลาชั้นเพนพอดีไม่เอาเอายามอื่นเอายามใหญ่ที่ <c oughs> ยามใหญ่ยามยามใหญ่ใหม่ยามใหญ่ใหม่เ ม, มื่อ ก, กี้ยามใหญ่ที่สี่เอาเลยเที่ยงไปแล้วก็เอายามที่ห้าจะทำยังไงอันนี้มันได้สามอยู่แล้วเพราะวันนี้เจ็ดค่ำนะอดีตีเป็นเจ็ดค่าตกที่สามตกที่สามจะเอาหนึ่งขึ้นดูติดตั้งใหม่นะจะเอาหนึ่งขึ้นดูติดตังใหม่ที่ที่ยามย่อยหรือที่เสา ให้ทองคําขึ้นขึ้นเป็นบริวารก็เหมือนกับบริวารบริวารหรือเสาก็คือดูติตังกับบริวารเหมือนกันนะที่เสาแต่ที่ภูมิคือบริวารที่เสาคือดูติตังเราจะต้องเราอยากจะได้หนึ่งทองคําเนี่ยขึ้นดูติตังที่เสาแต่เป็นหัวยามใหม่เพราะว่าตอนนี้อ่ายามใหญ่เนี่ยเราขันเพลนต้องต้องให้เลยเที่ยงไปจะทํำยังไงดูวันศุกร์ตกอะไร วันศุกร์ยามใหญ่ตกอะไร <Okay. S 1> ตกห้าเรานับจากภูมิไปห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าตกห้าตกสี่ตกสี่นี้เราอยากจะได้หนึ่งเป็นดุติตังได้ทองคำเป็นดุติตังก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรียกอะไรตก <Okay. S 1> เจ็ดด้วยอะไรตกเจ็ดเวลาที่เท่าไหร่สิบสามอ่าสิบ3ามาสิบสามสิบสามได้เท่าไหร่ <7. S 1> ได้เจ็ดนับจากสี่ไปเจ็ดช่องถูกต้องไหม <c oughs> อ่านั่นนี่คือการบังคับมันจะออกหรือมันไม่ออกถ้ากคนไม่ไม่ออกฟ้องเจ้านายไปเลยไล่ให้มันออกบังคับยามจะนะอ้าวไมค์อ่าเปลี่ยนใหม่บ่ายโมงไม่เอานะบ่ายโมงคนยังไม่พร้อมบ่ายโมงยังไม่พร้อมเปลี่ยนยามใหม่เปลี่ยนยามใหม่ตอนนี้เราก็ดูยามที่หกยามที่หกของวันศุกร์หัวยามเป็นอะไร อ่าเป็นสามเป็นสามนับจากภูมิไปสามช่องหนึ่งสองสามชัดเลยอทองคําขึ้นอีกแล้วแต่ทีนี้ทองคําขึ้นอยู่แล้วเราอยากจะได้หนึ่งขึ้นอีก อ, อยากจะได้หนึ่งขึ้นอีกเราก็ดูกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ได้แสดงว่ายามนี้ไม่ได้เอาไปยามที่เจ็ดอ่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอยู่ที่นี่นนหนึ่งหนึ่งสามก็นี่เป็นเดช เด็มเดชจะขึ้นได้ไหมเราก็นับจากนี้นะนับหนึ่งสองสามแล้วอ่าใช่อ่านี่คือยามใหญ่ครับไม่นับเป็นสามนับไปสามแล้วใช่ไ่มที่ยามใหญ่นับยามใหญ่แต่สามช่องใช่ไหมมันตกอะไรเล็กหนึ่งอ๋อตกเล็กหนึ่งก็คือตกเล็กเดิมตกเลขเดิมก็ตกเล็กหนึ่งทีนี้เราจะเอาดุจติตังขึ้นเป็นเบยวานอะเป็นเป็นเป็นดุจติตังนะก็ตกไปกี่ช่อง ก็หนึ่งสองสามเอาอะไรที่เป็นสามดูเนี่ยนับไปสามช่องเวลาที่เท่าไหร่สิบหกอ่าสิบหกสิบหกตกสามนับไปสามช่องหนึ 1, 1> <ส>่งสหนึ่งสองสามที่ยามย้อยพอดีขึ้นได้สี่โมงเย็นนีบบ่บังคับนะบังคับเราเราจะต้องดูก่อนนึอถอยหลังกลับมาดูว่าเราจะเอาอะไรขึ้นแล้วก็จ ะ, จ ะ, จะตกตก โทมาหาตอนนี้เวลานี้เราก็บอกเขาได้เพราะเราจะเปลี่ยนช่องได้ชั่วโมงครึ่งแต่ภายในชั่วโมงครึ่งอันนี้เราหาไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ตอนนี้อย่างนี้คนเดินมาหามาเดินมาเนี่ยปุ๊กเนี่ยมาหาเราเนียจะรู้ได้ไงว่าเขามาเรื่องอะไรจะดูดดอ่าเขาว่ า, านคนเดินมาหาสมมติณณเวลานี่